เสร็จเราก็มาทับฟังทากันวันนี้ฝนตกเห็นจิตเห็นใจของเราบ้างไหมความรู้สึกตัวหรือว่ามันไป ก, กับลมกับฝน มันไปกับความยากลำบากหรือว่ามันเฉยๆเมื่อกี้ผ่านมาเร็นหลวงพ่อขริยท่านกากลางมุ้งนอนแล้วอยู่ง่ายๆมีคนเก็บอารมณ์เข้มอยู่นี่กี่คนนะลองยกมือขึ้นนะที่ตั้งใจสี่สิบวันยกมือมีอยู่ สองคนสามคนใครมาล้างสารพิษนายกมือดิมีล้างสารพิษที่ถามนี้จะได้จำแนกชุมชนให้นชัดเจนนิดหนึ่งปฏินิกรมมีการแบ่งขอบเขตไว้ชัดเจนเกิดสังกวาตเกิดการสีมา เกทรันยวาสีคาเมาวาสีพวกนี้แบ่งเอาไว้เห็นอย่างนี้ก็เพราะว่าอยากให้มันเป็นธรรมชาติมาแล้วไม่ต้องตีกรอบก็ามากรอบปนนี้ก็คือเป็นเรื่องของบทวิหารานเจ ด, ดีต่างๆเป็นสาสนาวัตถุ มีศาสนวัตถุศาสนาสถานสัตว์นบุคคลจัตน้พิธีตอนนี้เราสู่สัตน้ำพิธีของชุมชนต่อเช้าถวัดเย็นจริงๆไม่เกี่ยวล้างสารพิษมาล้งสารพิษทำบัตสวดมนได้สบายเราสามารถที่จะทำกิจวัดหลักได้เหมือนเด็กไปโรงเรียนเวลาไปโรงเรียนก็ถึงเวลาเข้าห้องเรียนถึงเวลาเขารบตรงชาตินะ เรือื่นเ็นเรื่องรองเรื่องเรียนเป็นเรื่องหลักมาวัดก็ต้องมาวัดจริงๆแต่วัดจิตวัดใจของเราแมมทัตวัดความยาวกิโลมช่างน้ำหนักมาตรฐานสัญญาณชีพต่างๆในโรงพยาบาลก็ใช้กันแต่วัดใจก็ต้องนี่ละความเป็นปกติความรู้สึกตัวน่วัดสุขวัดทุก ทุกเป็นบุญทุกเป็นบาปถ้าหลงเผล อ, อไปนะจิตคิดดีเป็นบุญจิตคิดไม่ดีเป็นบาปครานี้เราขอใช้เป็นเรื่องของสติปัญญาปาธรรมเป็นเป็นกรรมเพราะถ้ามีเจตนาก็เป็นกรรมแต่ว่ากรรมาฐานนี่ต้องเจตนานะถ้ารู้สึกแล้วไม่เจตนาเป็นกตตกรรมเป็นกรรมที่ไม่ผล้วแหละ ฟรีๆใส่ความรู้ลงไปเราจะเริ่มสังเกตเห็นเป็นศาสนธรรมที่ลงมือกระทํำลงไปศาสนาคือตัวเรากายฟังจอบยาวานาคือตั้งแต่หัวจรดเท้าเท้าถึงเส้นผมเส้นผมถึงเท้ารู้ ต, ตัวตัวพร้อมมันจะรู้ตัวตั ว, ตวพร้อมได้ก็ต่อเมื่อสติมันว่องไว มันจะไม่เห็นความรู้สึกตัวว่องไวเรารู้ตัวพร้อมรู้เล่ากองสังขารมันแตกไปอีกจิตของเรามีการปรุงการแต่งการคิดเราเลึกนึกคิดแล้วก็ปรุงแต่งตอนนี้เราเห็นในระดับไหนระดับเดียวลมันปรุงแต่งเรียบร้อยเบ็เสร็จสมบูรณ์แบบ หรือว่ามันกำลังคิดอยู่รู้ว่าคิดก็ออกลับมาได้นึกเอ๊ะนึกรู้ทันหรือมันร ะ, ะลึกรู้อยู่คิดระลึกรู้อยู่วการร ะ, ะลึกรู้ตรงนี้คือมันเริ่มจากรู้เนื้อรู้ตัว กายที่ปัญญาสุดๆนี่สกนธธรรมมาลงเบอร์ตามน่ละอชีวิตที่เหลืออยู่เราการนี้โดยเฉพาะอยู่ไปเพื่ออะไรตังกายเราแข็งแรงปัจจัยสี่อุดมสมบูรณ์มันก็เหลือเรื่องเดียวนะเรื่องจิตใจที่ต้อง เห็นทุกซอกทุกมุมของมันแนละ้วไาจะเกิดอารมณ์ทรรอะไรขึ้นมาแลรู้สึกตัวเห็นกายตามความเป็นจริงเห็นจิตเห็นใจตามความเป็นจริงเห็นอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมานะที่มันไม่ใช่ความรู้สึกก็ปรับก็มาปรับก็คือกลับมาหา หรักกรรมฐานถตามีสติรู้กายก็มหาฐานกายถตามีสติรู้จิตเห็นจิตก็ใหสติดูจิตถ้ามีสติรู้สติได้ก็เหนือ mm. เหนือรูปหนือนามไอเหนือตัว น, นี้สำคัญเป็นการหลุดพ้นเห็นกายมันก็รู้จัก สิลการของกายก็ร like ู uh ้จักเป็นรูปต่ำยังไงเป็นรูปทุกยังไงเป็นนามทุกยังไงนวนพัฒนาไปถึงนามสติโดยกายก็ดูจิตโดยกายเห็นจิตโดจิตเห็นคิดโดยคิดเห็นธรรมการพรงการแต่งเป็นกุศลอย่างไงอกุศลอย่างไงอย่างเงี้ยมันก็ไปรู้ของมันเองก็จะทําหน้าที่ของเขาเอง น้องบ้นเลยเลยสนุกไม่เกี่ยวฝนตกแดดออกไม่เกี่ยวเลยเกี่ยวจะทำอะไรก็ทําให้มันสำเร็จโกลาหลกมท้าไม่อ้างฝนตกไม่อ้างวายุงชมไม่อ้างว่าเดี๋ยวก่อนล้างสารพิษก่อนแล้วค่อยมาเจริญสติปัฏฐานไม่อ่างเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแข็งแรงฟนนี้ก่อนมันมันเป็นเรื่องของหน้าของคนที่ประมาทเกียรติการ โดยส่วนตัวเกยสมัยหนึ่งเก็บอารมณ์เข้มเข้มเองะ้าจอบไปทําทางเดินจงกมเองกล้าพูดเลยทางเดินจงกรมเนี่ยว่าจะทำเองนั้งหมดนั่นแหละเพราะเห็นประโยชน์จริงๆกุดไหนกุดไหนประโยชน์ได้ทำํทำทําไมถึงเรียกว่าเห็นประโยชน์เพราะเคยเก็บอารมณ์แล้วได้ประโยชน์จากมันอะ ไม่เคยที่จะรู้เรื่องวิปัสสนากรรมฐานมาก่อนแต่พอเรามาเดินจงกรมสร้างชงหวัดมันก็ก็ใจหยุบหนอพองหน่อสัมมาหลังไปเพรนั้นนะพุทโตศึกษาอยู่บ้างอาณาปานสติก็สนใจอยู่ มันเป็นกระปานที่ประชาชนทุกคนส่วนใหญ่ก็นิยมกันเรียกว่าอาณาปาการนั่งดูลมหายใจเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวา ท, ทับมือซ้ายตั้งไกายตรงดํารงสติให้มันตัวตร ง, ตรงนั่งได้ทนด้วยเป็นกนที่ถ้านั่งสบาธทีนั่งได้ทนลองมานั่งกันก็นได้อึด นั่งได้แล้วอร่อยเลยนะมีความสุขมันมีความสุขมันสงบโลงบุบบุบบุบ บ, บุบตัวเบาหิวไปเลยยิ่งไปนั่งแถวช า, ายทะเลมีเสียงคลื่นนะแดดอุนอ่นๆลมพัดแผ่วๆเนาะมีความสุขส่วนตัวก็ชอบ เราขึ้นไปที่สูงๆหน้าผายอดเขาหามมมเงียบๆที่สูงๆสงักหน่อยนั่งก่อนที่จะหลับตามองทัศนียภาพมองวิวทิวทัศมีความสุขเป็นคมที่อารมณ์ศิลปินปสมสมนลวล้ชอบธรรมชาติ แต่พอมารู้สึกตัวไม่ได้เหมือนอย่างที่เราเป็นที่เราเคยฝึกเคยหัดมามันมีแต่งง่วงมีแต่ปวดแต่เมื่อยมีแต่คิดฟุง้งซ่านมันมีอย่างนั้นจริงๆนะนั่งนั่งอยู่ในมือมันล็อกเลยลองเคลื่อนมือเก็บลมมาหลายวันนะมือมันล็อกเลยชอบที่สุดแถวหลังเขาแถวกุฏิสิบสาม ยิ่งเวลาสมัยก่อนมีไฟไหม้นะต้นไม้มันจะไม่เหลือเลยมันจะโล่งเวลาขึ้นอยู่ที่กุศลามาระดับน้ำทะเลสี่ร้หกส้าเมตรจากระดับน้ําทะเลตรงนั้นตรงนี้ประมาณ4ี่อยสาสิเมตรจากระดับน้ําทะเลความแตกต่างอยู่ประมาณที่30สิบเมตรเคยเช็คด้วยเครื่องดิจิตอล มันโล่งตั้งใจเลยฝนตกแดดออกยิ่ไม่สนใจจะนั่งมันอยู่ตรงนี้ยเดินอย่างกรมอยู่ตรงนี้แหละนอนก็จะนอนอยู่ตรงนี้แหละอาตมานะทดลองทําอะไรทําจริงนะบอกฮนะตะลองเตือนสองสามครั้งได้ทำเลยทําเลยถือว่าเตือนแล้วก็เองก็เตือนก็เองมาอย่างนั้นนะเมื่อก่อนเตือนคนเนี่เตือนได้ไม่กี่ทีหนึ่งสองเอาแล้ว อันนี้เราเตือนตนนจงเตือนตนของตนในผลผิดตนเตือนจิตของตนได้ใครจะเหมือนถ้าเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือ น, นเตือนเตือนเตือนตัวเองฝนตกก็ไม่ได้ไปไหนบางทีศาสตส า, สาลาสิงกรปลนเปลี่นนนยนเปล่ยนเปี่ยนเ่แถวทางเดินยุคมเมื่อก่อนจะใช้เจลไดน้เจลได้ก็คือมันเป็นยาฆ่ า, มาแมลง การมลรงการจัดมันหลงอยู่เป็นขยาอยู่ในวัดเนี้ยก็ทำรูทางเดินจงกรมโดยการใช้ปูนที่สลาแทงน้ำกูสมันมีแทงน้ำมีสลาเสร็จแล้วกขีดตีเส้นเป็นทางเดินจงกรม แค่ว่าเราเดินแล้วก็ใจเราก็อยู่ในทางเดินยงกรมนะถ้าออกไปจากทางเดินยงกรมแสดงว่ามันเหลืหลงไปแล้วมันเหลืองมันเผลอลืมเนื้อลืมตัวก็ยามตีกรอบเองไนงะค่อนข้างจะบองครับจิตพอสมควรนะถึงขั้นบางทีนะจุดสีอะไรต้องเดินเหยียบจุดนี้จุดนี้จุดนี้จุดนี้นึกนะถึงตอนที่เล่นหัวกระโหลกนะเคยเล่นไหมหัวกระโหลก ตรงน้นเป็นหัวกระโหลกตัวนี้หนึ่งสองสามสี่ซิกแซกไปกระโดดขาเดียวบ้างสองขาบ้างอันนี้ก็คือเดินแล้วก็เหยียบเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดตะเภาอย่างนีแสดงว่ามันหลงแล้วอารมณ์อย่างนี้ทําให้เครียดนะสำหรับบางคนนะแต่ว่าโดยส่วนตัวนี่ดี ป, ป, ปกติแล้วให้คนอื่นก็บังคับอยู่แล้วเอากรอบนั้นกรอบนี้กรอบน้นมา บ, าบังคับทําไมาเราจะบังคับตัวเองไม่ได้ยังไง เ็รู้อยู่เป็นอารมณ์สมถะแต่ทำไงได้เพราะว่าจิตของเรามันสุกซนทำสักประมาณหนึ่งหวดนั้นในกลางนั้ น, นทำอยู่ประมาณอยู่สี่ห้าวันมันเกิดอาการหนึงขึ้นมาคือมือมันล็อกมือมันล็อกมือมันค้าง พอมันค้างกึกเนี่ยมันสังเกตเหมือนกันเอ้มันค้างได้ยังไงมันกลับมาสังเกตตัวเองมันค้างได้ไงจิตตกผวังบางทีก็นั่งนั่งอยู่แล้วก็มันมองเห็นเป็นสีเหลืองมาเลยทางภูเขาเนียมองไปหนเอ้ยทำไมมันเหลืองเมืาหลยเป็นสีทองอันนี้ก็เรียกว่านิมิตนะนิมิตเวลาเราปฏิบัติแล้วอารมณ์สัมภามเกิดขึ้นมาสมาธิมันมากกว่าสติ คราวนี้นอารมณ์มันจะปรงทันทีจเจอมั่งไหมอารมณ์แบบเนี้บางทีมันก็ง่วงมากมากง่วงมาแบบหนักหนาสหาหัสเพราะว่าไม่ค่อยได้ฉันฉันก็จะฉันแค่มือเดียวข้าวเหนียวเล็กๆแล้วก็ส่วนใหญ่ก็มีแจวมันก็หมดเรี่ยวหมดแรงนะภาคบ่ายหมดแรง บางทีก็มันเพลียมากมากง่วงถ้าเป็นเราเราทํายังไงน้อวไปถเข้มนะส่วนตัวผมแลิ่มจะมาก็พยายามที่จะให้ประสบการณ์มันสอนตนก็นะคือรู้ว่าวันนี้เป็นอย่างนี้ขณะนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วมันจะเป็นไงต่อไปก็เห็นว่ามันได้คําตอบตรงที่ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างอาการ ท, กาทุกอย่างที่ปรากฏมันมาทางไหนมันไปทางนั้นก็ mm. เกิดขึ้นของเขาแล้วก็ไปของเขา mm. ทุกๆอาการมันเกิดขึ้นมามันก็เลยเป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์ที่ดีๆ mm. เห็นแล้วมันจะไม่ลืมหลักลองลอยพวกนี้เป็นล่องเป็นรอยของมันเวลาที่มันหนักมันเกิดอะไรขึ้นเหตุอย่างนี้ มันจะให้ผลแบบไหนผลอย่างนี้เกิดมาจากเหตุอะไรมันจะเห็นอยู่บางทีมันก็มองนะในป่าสร้างกุดเล็กๆสั ก, กหลังนึงก็ดี <Yeah. S 1> บางทีมันก็มองว่าแหน่งน้ำมีแค่สองแหน่งในทั้งวัดเนี่ยมันน่าจะทำเพิ่มอีกนะ yeah. ห้องน้ำข้างบนนี่มีแค่ห้องเดียวน่าจะทำเพิ่อมอีกนะอารมณ์บุญมาติดใจเึงมจิตเรื่องดีๆงามๆ ม, มันก็พุดขึ้นมาสนุกดีเดียวฝนจะตกแดดจะออกไฟจะไหม้บางทีไฟก็เข้าโยมเก็บอารมณ์อยู่ดีไฟพุ๊บๆเข้ามาแล้วตั้งป่าอ้อยก็เผาทำยังไงล้วจิตใจเจอสภาวะแบบนี้สิ่งแวดล้อม เฉยก็ไฟไม่วัดคันจะไปก็หลุดจากกรรมฐานาถือว่าเราหลงไปกับอารมณ์รูปอารมณ์ที่มากระทบถึงตรงนี้จะทำยังไงผู้ใหม่บางทีศึกษาเราสิ่งตัวนิ่มเดี๋ยว ก, ก็คานมาเล่นแตงไฟด้วยจุดเทียนเอาไว้แล้วก็มีกดน้ำค้อบเอาไว้กวดน้ำห้าลิตรนะครอบ เห็นแสงไฟก็มาเล่นแต่มองมองดูกุมาหามาแรงกินนั่นแหละนะแมงงอดไตไมแล้วก็มนหลบอยู่ตรงเส้นทึบที่เตี๋ยวไว้เชียวไดสีม่านก็คิดว่าครับปลอดภัยอย่างงี้นะบางทีก็มันติดอารมณ์นะโยมนะอยู่คนเดียวนะก็มันติดอารมณ์บางทีอารมณ์มันเข้าในมันเพ่งเครียดปฏิบัติไปนะ มันไม่มีของเล่นที่กัเล่นกับมดก็มีนะโยมมดมันไต่ไปไต่มาจนรู้จักโอ้มดที่แข็งแรงที่สุดในวัดนี่คือมดแดงที่เป็นมดกินน้ำตาลสีแดงแดงมดงามดตันนอยมดอะไรนี่กลัวกันหมดเลยเขาตัวไม่ใหญ่แต่ว่าเขาว่องใบหนมดแดงไม่ใช่แดงที่ส้มๆที่เขากินไข่กันนะไม่ใช่ บางทีก็จับมดแดงไปใส่ลัางมดดำความสนข น, นาดปฏิบัติเนี่ยหลงบางทีก็จับมดดำไปใส่ลัางมดแดงเราได้เห็นแล้วโอ้มันเรียนรู้อะไรของมันขนาที่มันหลงเปลือไปไม่รู้สึกตัวเนี่ยมันทำตามความคิดมันก็ดีอยู่มันก็ได้ปัญญา ร, ระดับหนึ่งก็คือเห็นเลยว่ามดนี่ผิดกิ่นกันไม่ได้ เวลาปิดกิ่นกันเนี่ยาพวกเดียวกันก็กัดแล้วเอาไปกินในหลังตายขาที่ประเภทนั้นแล้วแบกลุมกันเอาไปกัดกับมดแดงติดกินมดแดงเข้าไปมันบอกเหมือนคนเลยคนเนี่เวลาปิดกินกันเนี่ยมันเอากันเันทีถึงจะเป็นพวกเดียวกันมาไปเข้าพวกอื่นนอกสงหัวโดนอยู่ไม่ได้ในสังคม บางทีเดินมาตักอาหารโยมแก็บอารมเข้มเดินตุ่มตุ่มตมมตม ล, ลงมาแบบหุนโยนนะเจอเพื่อนไม่สนใจเลยก็มองเราเพี้ยนนะเพื่อนๆมองเราทําตัวแปลกๆเราก็ไม่แคร์เลยนะในความรู้สึกคือเราจับความรู้สึกตัวจับความรู้สึกตัวอยู่โดยเสิ่งจะเป็นยังไงนะตั้งใจไ ường, ว้หนึ่งเดือนจะเป็นยังไงไทั้งเดือน เพื่อนก็ขำผ้าเบิดใหม่เอาจริงเอาจังนาดำกำเคียดเราก็ไม่ไปสนใจอะไรบางทีเห็นนกเนีย น, นกก็บินไปเกี่ยว้ํามหวายโดนหนามหวายเกี่ยวที่กอเราก็บอกเราเก็บอารมณ์เข้มอยู่เห็นอยู่หรอกมันก็ร้องแวะแแวะกแวะร้ะองให้คนช่วย เราก็ไปเห็นก็พอดีจะช่วยก็กลายเป็นเมตตากานจะไ่ช่วยก็เกี่ยวตายอยู่ตรงนั้นแหละจะทำยังไงล่ะทีนี้เห็นแล้วไม่ช่วยมันก็ไม่ได้ก็ต้องช่วยเอาเมตตาก็เมตตามีสติได้รู้จักนะันเมตตาเป็นอย่างนี้แหละมันก็รู้จักเมตตาก็รู้หน้านะ จิตใจเป็นบุญเป็นเทวดาบางทีเป็นผีเป็นผีเป็นยังไงบางทีก็เริ่มหลอกแล็กเริ่มมองซ้ายมองขวาเริ่มไปสนใจความรู้สึกตัวบางทีก็สะดุ้งหวัดประหวาดได้ยินเสียงนิดนตกใจสะดุง้งเลยเห็นอนาการของจิตมากมามแล้วกันเวลาเราเก็บอารมณ์เข้ม มันเป็นเรื่องส่วนตัวส่วนตัวของเราที่เรากาลังศึกษาการของกายเราเป็นฐานพยายามที่จะรู้ความรู้สึกตัวบางทีลูก้ามากระทบเสียงเข้ามากระทบบทีความคิดการปรุงการแต่งก็ปรากฏเกิดขึ้นมานิมิตต่างๆเกิดขึ้นมามันได้คําตอบอย่างคือมาทางไหนมันไปทางนั้นเราไม่ให้ค่าไม่ให้ราคามัน จากนักก็เป็นเบาถึงหลงก็หลงไม่นานถึงเผลอก็รู้โยะมันไม่ติดอารมณ์ไม่ค้างเป็นวันเป็นคืนทุกครั้งที่สัมผัสรู้ความรู้สึกตัวกลับมาได้ทันทีมันเลยได้หลักยิ่งมาเห็นความโกรธเห็นความโลภเห็นความหลงเห็นอารมณ์นนะแล้วมันได้หลักตรงเที่วมันกลับมันปรับมาเป็นความปกติ ในวิชากรรมฐานมันเป็นหนึ่งเนี้ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับใครมาบอกมาสอนมาชี้มานำมันเกี่ยวกัเราจะประเด็นเราเอาไปทำํำเลยเป็นเรื่องการสอนตนฝึกตนสอนตนเก็บอารมณ์เข้มไม่ขออะไรสักอย่างเวลาเก็บอารมณ์เข้มนะจะอยู่เฉยเไม่ปีดปากขอเด็ดขาดเพราขอคือเปลดิดเตยปากขอเนี่ยทันทีคือเปลดิดไม่เอาเลย ช่วงเกี่ยวกง เ, เข้มแล้วแต่ใครจะให้ก็ให้ไม่ให้ก็อดเรียกว่าไม่ง้อใครเพึ่งลำแข้งตัวเองไฟนี่จะไม่ค่อยนิยมจุดส่วนตัวนะศึกษาจริงๆในช่วงต้นเนี่ยเดินไปไหนมาไหนไฟฉายฐานมีก็มีไม่มีก็ดับก็คือดับนะจะสายตาของเราเชื่อว่าหมาสุนัขแมวนะ มันเป็นสัตว์มันยังอยู่ได้เราก็สูงสุดคืนสู่สามันบ้างจะเป็นไรไปมีกายมีใจแค่สองอย่างนี่มันก็อยู่ได้แล้วคิดแบบนั้นเลยนะโยมนะบางทีกลางคืนเนี่ยฝนตกอย่างเงี้ยมันมีสเสน่ห์ป่านี้มีสเสน่ห์ใบไม้เขาจะเรืองแสงขึ้นมาแล้วเราก็สามารถเห็นทาง มันเป็นทางเดินสองข้างทางเป็นใบไม้แล้วก็มีสัตว์ท่กลนก็จะเป็นไฟฉายเช่นพวกหิ่งห้อยหนะรือว่าเหมือนกับกิ้งกือตัวแบนๆมันก็เรียกว่าอะไรมันจะมีไฟเรืองๆอยูนะ่แสงดาวดีม่มันกะท้ อ, น ม, ทอนะนมันสะท้อนลงมาท้องฟ้าพระจันทร์บนมันสะท้อนลงมาเราเห็นเงาเลยแต่ว่าต้องมีสติสักนิดหนึ่งอันนี้กาลังพูดให้นะ นักกรรมฐานเข้มฟังว่าเราลองเข้มแบบนี้ดูไหมดีนะเราจะเห็นจิตใจของเรามันโหยบาวุ่นหรือว่าสับสนหรือว่ามันกลัวหรือว่ามีความต้องการเพราะอะไรเพราะกรรมฐานนี่ยมันฝึกเพื่เกิดปัญญา เ, เราได้พอเห็นพบภูมิในจิตใจของเราเนี่ยชัดๆตรง ๆ, รงๆจิตมันมีพบมีภูมิจริงๆ เป็นมนุษย์ยังไงเป็นคนยังไงเป็นสัดเดฉาญยังไงเป็นสัตนรลกยังไงเป็นอาศุลกายยังไงเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นพระอย่างไรมันมีอยู่ในตัวเรานี่เองมันเห็นอยู่ในตัวเรานี่เองดังนั้นอีกห้าที่สุดท้ายจะสรุปให้ฟังนะว่าหลวงปู่เทียนจิรพงษ์เนะี่ย ท่านเป็นคนจริงแล้วท่านก็นรู้ของจริงท่านทําอยู่ยี่บสี่ชั่วโมงมาตั้งใจทําแล้วเนี่ยท่านรู้อะไรมากมายแล้วเกินท้ายสุดไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมงท่านรู้ทั้งระบบของพระพุทธศาสนาอย่างนี้องค์สมเด็จตั้งมาเจ้านั่นค้นพบอยู่ใช้เวลาหกปีแต่วันท้ายสุดเนี่ยหลังจากที่นั่ง ตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นอธิษฐานจิตถึงแม้เลือดเนื้อเอ็นกระดูกอยู่พังไปก็ตามเลือดเนื้อจะเหิดแห้งมาจากสรีระก็ตามหากธรรมะที่เราควรรู้ควรเห็นด้วยเลี้ยวแรงของบุรุษ ห, หากเราไม่บรรลุอนุตตะระธรรมะสัมปอิยานเราก็จะไม่หยุดทำความเปลี่ยนเสียถึงแม้ตายไปก็ยอมจะนั่งเป็นข้างสุดท้าย ใจเพชรนะ <Yeah. S 1> อุกฤษเัาก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะ <Yeah. S 1> ใช้กายใช้ใจของเราสองอย่างนะโดมจะอยู่ได้ไหมสี่สิบวันเน <Yeah. S 1> เคยทา ม, มาแล้วมันได้ผลดี <Yeah. S 1> เห็นหน้าร้มต่างๆ <Yeah. S 1> เราก็ได้ดั่งใจสุสมอยากอยากได้อะไรก็ได้ร้ <Yeah. S 1> องขอคนก็ให้ <Yeah. S 1> นะบัญจีติกายวิญญัติญญตทำาป็ตัวให้มอสอเดี๋ยวมีคนให้เยอะแยะไปหมด แต่ท้ายสุดต้องมีสีนเนี่ยเราควให้แล้วมันบริสุทธิ์ผ่องนะเป็นปกติสินนำสุขมาให้สินนำภพกรัพั์มาให้ตรงนี้นะแล้วเกิดอายะสมัายคือแบ่งปันเงินยิ่งๆต่อๆกันไปคว้างๆไม่ประมาณนี่เราคือนักบวชมีกฎกติกามากมายสินห้าสินแปดสินสิบสินสองร้ยสิบเจ็ดสินสารอสิบเอ็ด ตอนนี้เรหนของความเป็นปกติศีลข้อเดียวนะความรู้สึกตัวมีนะมันมีการป้องกันนะอาบาดต่างๆหรือว่าผิดศีลผิดธรรมอีกมากมายแล้วเกินก็เรียกว่าอาริยกะการตาศีลเป็นศีลที่มันไม่ใช่ศีลสังคมมันเป็นความปกติที่มีอยแล้วในตัวเราแต่เราเห็นมันหรือไม่ตรงนี้กายก็ปกติจิตใจก็ปกติ ไม่เกี่ยวฝนตกแดดออกไงยังไงก็ไม่เกี่ยวเกี่ยวกับเราปกติฝนตกก็ฝนตกไปเลยไม่เกี่ยวมีตรงไหนก็นั่งหลบๆนิดๆหน่อยๆรู้สึกตัวเล่นไม่ ي, สนุกดีตื่นตัวดีด้วยบางทีถึงขั้นกลา ง, างล่มเดินนะโยมไปกลัวอะไรกันันไหน้ําฝน คือธรรมชาติเราคือธรรมชาติสิ่งเดียวกันนะเปลี่ยนกันไม่เป็นไรเดี๋ยวอาบน้ําอาบตาสักตาสักปอนนะไม่เป็นไรเนะข้มแข็งไปเลยแล้วก็ใครที่จะล้างสารพิษนะจะล้างสารพิษก็ล้างแปแม่ชนะีในความเห็นของต น, นก็คือให้มากลางเต็นต์อยู่แถวแถวนี้เลยใครที่จะล้างสารพิษนะไม่ต้องไปยุ่งกับแถวนี้ก็าหิวกระโปง ดีท้อเข้าๆออกๆนาา <S <S <ล>ะเราไปเอาอย่างนั้นนะแบ่งส่วนกันแบ่งเขตให้ชัดเจนแถวนี้มาปูได้เลยแถวข้างๆปูได้แถวนี้ใกล้ห้องน้ำเนี่ยตลาดหนิลโกงยกให้กรรมฐานเข้มมีกี่คนก็ได้ใช้กันเต็มที่กับพวกที่มาปฏิบัติเดียเพาะสงวนสิท์ กมที่ไม่ได้ปฏิบัติพยายามอยู่ในเขตของตนของตนไปจะทําอะไรก็ทําแล้วก็กลุ่มกรรมฐานเข้มก็ต้มาย่งกับเขาเราก็อยู่กรรมฐานของเรากลใจของเรา ใ, ให้มันเกิดการพัฒนาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปจนท้ายสุดมันไม่ทุกข์แล้วนจะตายกันมันตายซะตายเมื่อไหร่ก็ตายให้เป็นไรหรดินขึ้นสูด่ดินน้ําึ้นสู่น้ําลมขึนสู่ล ม, ลมไว้ ไฟคืนสู่ไฟคืนสู่ธรรมชาตินะมันก็ต้องเด็ดขาดอาหารกับตัวเอง บ, างบาง้างบางครั้งบางคราวก็อีกคนก็ดูแลเราอยู่โดยว่ายุคนี้พราก็ในคว่ามีน้ำใจก็คงไมป่ปล่ทิ้งปล่กว้างกันเราคนที่ทั้งใจทำกรรฐานเข้มเข้มจริงๆดูแลถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยจริงลงไว้บ้านเราลงบ้านใจภูมิ โรงพยาบาลอื่นๆก็พร้อมที่จะรับอย่างแ่หลวงพ่อเขียนท่านดำริหรือแถวโรงพยาบาลขอนแก่นาเงี้ยรวจมาจากศูนย์ตัวดูแลอย่างเต็มที่เป็นพัตที่หมอพยาบาลก็ไว้ใจกันพอสมควรเขาดูแลเราอยู่เลยไม่ต้องห่วงว่าเปน็นไปแล้วเดี๋ยวสุขภาพไม่ดีจะทำไงยอย่างงี้นะ <c oughs> ล้างสารพิม์มันก็ดีนะ อย่างเช่นว่าผมรลือดต่ำมาในะเกยไม่ไหวแล้วหายใจเข้ามันมันไม่เข้าหายใจเข้าหายใจไม่เข้ามันหายใจออกได้อย่างเดียวแล้วเข้าลาบากมากเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอยู่นะแต่ตอนนั้นถึงกันที่ว่านโมตัดสานเราต้องหยุดมันต่อไม่ได้จริงก็คือมันจะตายแล้วนะ หมอทางวิทยาศาสตร์ก็ไม่รู้จะทำยังไงกันนี่มต์ให้ไปโรงพยาบาลจุฬาเตรียมหมอดีๆมือนหนึ่งหลายคนโรงพยาบาลใจภวมก็ไปเหมือนกันแล้วไม่เจอโรคเอ็กะเลย์ยังไงก็ไม่เจอโรคแต่เราก็รู้มันพิดปกติมากๆแล้วนะตอนนี้ข้างในพูดก็พูดไม่ได้ลิ้นก็แข็ง ถ้ายสุดกลับมาวัดแบบออ่าไม่เป็นไรตายก็ตายแล้วร่างสารพิษเนะี่ยพรากฏนะพอร่างไม่ได้สองวันนะมันสดชื่นขึ้นมาอย่างไง้โอ้ต้นไม้ได้ปุ๋ยรดน้ำพรวนดีแล้วแตกยอดขึ้นมาเลยจากซีดๆเหลืองๆกลายเป็นมีสีเลือดขึ้นมามีแรงแท้ขึ้นมาใหม่ มันก็ดีเหมือนกันนะไม่จะไม่ดีล้างสารพิษแต่ก็แยกกันให้ชัดกันแล้วกันแต่ว่าเมื่อล้างแล้วแข็งแรงดีก็จะปล่อยชีวิตไปแบบโลกๆทั่วๆไปใช้เรี่ยวแรงที่เหลืออยู่แล้วกำลังวังชาที่มได้คืนมานเพื่อการปฐฐานดีกว่าวัดป่าสุโตสถาบันสติปัฏฐานแล้วเราก็ปฏิบัติกันแนวเคลื่อนไหวตรงไปตรงมาอย่างเช่นก็เก็บลมเข้ม่แลนะ มันนี้ถ้าที่สังเกตก็ยังมีจับกลุ่มกันบ้างนะเวลาฝนตกก็เลยแยกไม่ออกว่าตกลมมันเข้มหรือไม่เข้มยพยายามคนเดียวเลยนะช่วงนี้น้ำจงน้าใจอย่าเพิ่งไปใช้เลยเพราะอะไรรู้ไหมนมันออกไปแล้วมันเป็นอารมณ์พรหมเป็นอารมณ์เมตตาอารมณ์ช่วยเหลืออารมณ์บุญมันไม่ใช่อารมณ์ปกติรู้ซื่อ รองปรีดวิเวกนะสันโดษคนเดียวมาคนเดียวไปคนเดียวตายคนเดียวกันนะลองสิลองทาดูแล้วก็เดี๋ยวสักครึ่งครึก่อนจะขอญาติหลวงพ่ อ, อเขียนว่าขอเดี๋ยวจะดูแลให้พยายามจะอยู่คนเดียวให้ได้ครึ่งทางยี่สิบบันแล้วยี่สิบันยังไงก็ต้องกอบโกยกันแล้วนะ เพราะว่าลมปฏิบัติในเวลาเราได้จริงๆมันจะอยู่คนเดียวมันจะไม่รีบเข้าไปหากันแล้วก็ดูดกันแล้วก็พูดคุยไม่มีบทสนทน า, าแทบไม่มีเหมือนหลวงพ่ อ, ขอเขียนตอนที่ท่านได้ลมปฏิบัติท่านเล่าให้ฟังมีคนมาขอได้เย็บผ้ามาขอก็ให้แต่ว่าไม่พูดสักคำหนึ่งมาขอท่านก็เดินไปหยิบได้ หยิบเสร็จก็ยื่นให้แล้วก็ไปะทําหน้าที่ให้มาขอมากล้าขอกล้าให้แต่หลวงพ่อไม่พูดสักคาเฉยเวลาข้าอาบน้ํากันหลวงพ่ออะไรฟัง <c oughs> สมัยก่อนอยู่ป่าพุทธยานพระกะ็ไปอาบน้ํากันเก็บกระลงกันมาก็สนุกสนานหยอกล้อแย่พูดคุยกันหลวงพ่อก็เห็นก็าอาบน้ำกันอยู่คุยกันหลวงพ่อก็อยู่ห่างๆนั่งสร้างจังหวะคอย พอเพื่อนไปก like, ันหมดแล้วถึงค่อยไปอาบน้าด right. ูนะครูบาอาจารย์ก็ทำกันผมเรื่องธรรมานี่ไม่ยุ่งกับใครอยู่แล้วไม่ใช่ไม่มีเพื่อนครบแต่เราเราไม่พบครบเขาเองจะครบมาเหรอเอาไม่วัดไม่ไหวหรอกที่ไม่คบว่ามันเรื่องส่วนตัวเรื่องกประฐานเรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของใครแล้วได้ว่าตอนที่อารมณ์ยังไม่แตกฉานียจําเป็นอย่างยิ่ง จำเป็นที่จะต้องกลับมารู้สึกรู้สึกจนกระทั่งมันหลุดออกมาอารมณ์มันบิมุติมันหลุดออกมามันเห็นความคิดตรงนี้มันได้คำตอบเนตรงนี้เราจะไปให้เชียร์กันได้ไงเพราะมันทำอย่างนี้มันได้อย่างนี้เยทํามาเหตุตุปภาวเทสันเหตุตถาคตโตเทสันจารุนิโยโตจะเอวังวาธิมหาสมโนันเป็นภาษาบาลีแต่มันใช้ได้จริงๆทุกๆสิ่งเกิดแต่เหตุ ทำทุกสิ่งนะที่มเกิดขึ้นมาเป็นผนเป็นสุเป็นทุ่มเกิดแต่เหตุให้ดูที่เหตุของทำเหล่านั้นนะทุกอย่างเกิดแต่เหตุถ้าจะดับกระดับที่เหตุเราก็รู้แล้วเหตุที่มทุกข์เพราะมันหลงคิดกลับมารู้สึกตัวอธิฐานกายรู้สึกตัวอธิฐานกายจ้นถ้ามันเป็นตัวดูสภาวะของผู้ดูใหม่ๆมันอยู่ แล้วมันก็รู้แล้วมันก็ดูมาดูแล้วมันก็ได้คําตอบอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในตัวเคลื่อนมือ14บสี่ชั่ววายนะจากรูปแบบจกบนกระทั้งมันนอกรูปแบบจะทําอะไรก็ตามมีระเบียบนะวินัยกํากับเอาไว้ด้วยการเคลื่อนการไหวสัมมลมระมัดระวัง ด, ๆดีๆตรงนี้นะตอนนี้มันผ่านมาประมาณ5้วนะัน7ะวันอาทิตย์หนึ่งมันยังมีเวลาอยู่นะเพราะฉะนั้นการสํารลมอินซีหรือว่าอินซีสองวอนนี่สำคัญนะ ประมาณในการบริโภคนี่สำคัญเราสร้างทำที่เป็นเครื่องตื่นได้ตัวของตัวเองให้ได้ไม่ต้องให้พระครูอาจารย์มาบอกเราบอกตัวเองอยู่สเสมอบวันนี้มีโยมใครก็ไม่รู้นะเขา sms มาในโทรศัพท์เขาบอกว่าอาจารย์ตอนนี้ผมผลิตผลิตอะไรล่ะเป็น ระบบ<ม>การเตือนเจริญสติเป็นโปรแกรมโปรแกรมการตักเตือนเวลาเราปฏิบัติธรรมแล้วให้มันสอนเราให้มันบอกเราเวลาเราขาดสติให้อาจารย์ไปโหลดดูนะพุกเนี้ฟรีนะ ใ, ใครลองโหลดดูนะเดี๋ยวมาเอาเว็บไซต์ที่จะทมา <S <S พวกเนี้ฟรีใครมีคอวเตอร์มีโทรศัพท์จะโหลดโปรแกรมจเจริญสติเชื่อว่าเป็น เบอรของเจ้าของธุรกิจคอนกรอบภูเก็ตนะเป็นของกลางแล้วเขปฏิบัติธรรมที่นี่แล้วก็มันมีผลทำให้ชีวิตก็ เ, เปลี่ยนเขาคาบช้อนเงินช้นทองออกมา ค, คนคนนี้แล้วก็ไม่มีความสุขเท่าไหร่อะไรก็ชั้นหนึ่งเทนะ่านั้นแะของกลาแต่ว่าเขายังไม่มีความสุขจนกระทั่งเขามาเจริญสติสนใจเรื่องการฝึกสติและเห็นว่าการที่ไปสร้างโปรแกรมการตักเตือนเช่น บางทีเราใช้เสียงไม่พอดีเครื่องมันจะรับรู้แล้วเก็บเอาไว้ว่าเสียงระดับนี้คือเสียงที่ปกติเวลาเราโมโหเราใช้เสียงที่ที่ลมหายใจที่หยาบส่งเสียงดังเกินไปเครื่องมันจะเตือนทันทีหรือว่าเราเดินเนีปกติเราเดินปกติเคลื่อนไหวแรงสั่นสะเทือนมันขนาดนี้เครื่องก็จะรับรู้ว่าปฏิกยาของร่างกายเราเนี่ย มันขนาดนี้พอมันเกินมันบวกมันลบมันจะเตือนทันทีว่าคุณผิดปกติน่าสนใจไมโยมแต่ว่าคนที่เก็บอารมณ์เข้มยังไม่ต้องใช้หรอกใช้ใช้ตัวเองเตือนตัวเอ ง, เองใช้สติเตือนตัวเองเทคโนโลยีวัตถุหนึ่งสองบุคล 2, 3, บคล 12-3 งองอุปกรณ์ต่างๆเอาออกไปก่อนเอาแค่กายกับใจของเราเนี่ยนะกูดใฟังเดี๋ยวใครสนใจลงเว็บไซต์ก็บอกเออพวกนี้โหลดฟรี ให้บอกกับคนทั่วไปด้วยเป็นบุญนี่บอกเป็นบุญวันนั้นสรุปแล้วว่าพยายามดูกายเข้แวะเนืกายเคลื่อนไหวแล้วก็อาการต่างๆที่มปรากฏขึ้นมาไอตัวดูตัวๆๆเดิมเขาก็จะรู้เตารู้ทันเห็นสังขารตามความเป็นจริงกายสังขารจิตสังขาร แล้วเห็นเหตุของตัวที่มันทำให้เกิดความทุกข์ือชอบหลงไปในความคิดมันกรอบมาเบื้องต้นรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวนี่แหละนะเพราะฉะนั้นกรรฐานเข้มก็คือทําแค่ว่ารู้ที่ฐานกายไปเรื่อยๆนะสังเกตความเป็นกลางแล้วว่าจับความคิดให้ได้นะสมมติฐานการคิดนะหรือว่าโรงงานผลิตความทุกข์เนะี่ยมันอยู่ตรงนั้นนะสมบัติพันธุหยัดต่างๆ สติก็เด่นขึ้นมาเหนือรูปเหนือนามมันจะเป็นสภาวะของอารมณ์ปัลละมัติอารมณ์ปัมัติจะเกิดมาเอางแต่ว่าก่อนที่จะเกิดอารมณ์ปัลละมัตินั้นจะเกิดอารมณ์วิปัสสนูก่อนโยมมันจะเหมือนกับสามล้อถูหวยเศรษฐีใหม่มันตื่นเต้นมันดีใจแล้วก็อยากอวดอยากบอกอารมณ์ น, นั้นจะหาเหยื่อทันทีเวลาไปตักอาหารจะหาเหยื่อ มันจะลี่กไปหรือว่าบางที่เจอครูบาอาจารย์มันจะแสดงออกทันทีมันเก็บไว้ไม่อยู่มันมีกระเป๋ามันจะไปเปิดแล้วกดูวดว่าเนี่ยจะมีเงินเท่าไหร่ทันทีไม่ได้หมายถึงว่าปิดแต่หมายถึงว่ามันจะต้องผ่านอารมณ์อย่างเนี้ยแสดงว่าเริ่มต้นดัลุนีของวิปัสสนาญาณมันเกิดขึ้นมาอารมณ์วิปัสสนหรือว่าวิปัสสนาญานอ่อนๆมันเกิดขึ้นมาแล้วอันนี้จะเกิดตละคนที่ตั้งใจทําต่อเนื่องๆแล้วว่า ส่วนตัวส่วนตัวชีวิตไม่วยายามที่ไปยุ่งก็บกาเดี๋ยวได้เห็นบาปเป็นยังไงบิลเป็นยังไงตัวปกติเป็นยังไงอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นของกวันต่อชีวิตของเราก่อนตายเป็นชีวิตที่มีกาไรได้รู้จักรู้ศาสนาแล้วก็เดินทางให้ยิงขึ้นไปให้มันเร็วมันก็จะได้ใช้ชีวิตประจำวันเกี่ยว้องอย่างเป็นมงคลชีวิตต่อไป อยู่กั้เขาก็เลี้ยงง่ายเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนที่ฝันฝายคิดการงานที่ชอบต่างๆจะเกิดขึ้นมานะก็พูดให้ฟังไว้สำหรับเย็นนี้เห็นว่าสมควรแก่เวลากล่าวพระพร้อมกัน